ช่วงนี้คูบารู้สึกน้อยลงความคล่องตัวหรือสึกว่าคล่องตัวขึ้ น, นเรื่อยๆเพราะมันน้อยถ้าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวยิ่งคล่องกว่านี้นะ <c oughs> บินธบาดมาชันแล้วเปิดแหนบเลยกัน <c oughs> หลายคนถ้าหลายทะเลยยิ่งอืดมันหลายคนเลย <c oughs> อง์นั้นช้าบ้างองค์นี้นช้าบ้างถ้าหลายองค์มันก็ต้องทําอะไรมันต้องเผื่อเผื่อเวลาเอาไว้ ถ้าน้อยองค์สึกบาก็คล่องแคล่วขึ้นธรรมดามันมีบางครั้งมันก็มีมากมีน้อยน้อยมันก็มีมากมันก็มีแต่มากมันต้องไขลานอีกแบบหนึ่งทํามันน้อยก็ไม่จําเป็นจะต้องไขลานแบบที่มันเหมือนมากทําให้มากปล่อยตามให้มันไหลไปเรื่อยเรือยมันก็ช้ามันก็ต้องไขลานเร่งรีบการดูหลายองไปไง แต่แตามไม่จริงดีไหมก็ดีหลายองค์ก็ดีน้อยองค์ก็ดีถ้าดีนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอุบัติขึ้นมาในโลกองค์เดียวท่านนะท่านยังสอนทั้งสามโลกก็ทากกา ม, มาโลกรู ป, ปรโลกอรู ป, ปรโลกเกิดมาองค์เดียวแต่พวกเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนนะก็ยังสู้พระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้นถ้าเกิดหลายคนก็ดีพระหันเนี่ยมีทังเยอะแยะ เพราะพระเจ้าพุทธเจ้าไม่เยอะแยะอที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะสี่ห้าร้อยเป็นพันก็ดีนะถ้าคนดีนะถ้าคนไม่ดีนะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ดีแต่คนไม่ดีถ้าคนดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่คนเดียวดีแต่มีคุณภาพก็ดีเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือ ให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีคุณภาพให้เป็นคนมีคุณธรรมในจิตในใจถ้าว่าไม่มีคุณธรรมในจิตในใจแล้วมากก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีบางคนชีวิตยืนยาวดีแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ทำความดี แม้เป็นอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ดีกว่าพูดที่ทําความชั่วเป็นอยู่ตั้งร้อยปีนะอันนี้คือสรุปแล้วก็คือสั้นชูประเด็นหรือยกประเด็นหลักคือคุณงามความดีถ้าว่าคนทําความชั่วเกิดขึ้นมาร้อยปียิ่งทําความชั่วมากยิ่งได้ทําความชั่วมากตึงร้อยปีความชั่วจะพอกพูนขนาดไหนเหมือนกันทั แต่ถ้าว่าคนมีอายุถึงร้อยปีมีแต่สร้างคุณงามความดีคุณงามความดีจะพอกพูนขนาดไหนแต่สรุปลงมาใกล้ๆก็ว่าคนที่ทำคุณงามความดีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือราตีหนึ่งยังมีคุณค่าที่คนมีอายุเป็นร้อยราตีคือร้อยวันร้อยถึง นะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือชูประเด็นถ้าจะมาเน้นหนักลงอีกจุดก็คือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถึงจะยืดยาวยังไงถ้าไม่รู้จักการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าคุณค่านั้นก็ชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าว่ารู้จักคุณค่าของชีวิตแต่ละวันเราควรทำอะไรบ้างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างสารรค์อะไรบ้างเป็นการปรับปรุงกายวาจาใจอย่างไรบ้างอันนี้มีประโยชน์มีคุณค่าแต่ถ้าว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปในทางชั่วไม่รู้จักการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแต่ละวันกินเหล่าเมายาถ้าเป็นพระก็ปล่อยกิตปล่อยใจจนไม่ได้ลึกถึงคุณงามความดีไหลไปในทางชั่ว อันนี้เป็นว่าใช้ชีวิตไม่รู้จักคุณค่าในการใช้ชีวิตชีวิตที่เปล่าประโยชน์ชีวิตหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ชีวิตยืนยาวกว่าหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวความคิดข้อคิดของพวกเราเหมือนกันให้พวกเราทบทวนดูตัวของเราเองไม่ต้องมองคนอื่นมองคนอื่นมันเกิดเรื่องถ้ามองตนเองนั่น ถึงมันจะเกิดเรื่องก็เกิดเรื่องกับตัวเองการเคลื่อนไหวตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองใช้ชีวิตตัวเองให้มีคุณค่าทำตนเองให้มีคุณค่าทำตนเองให้มีราคาทำตนเองให้มีคุณภาพทำตนเองให้มีศักดิ์ศรีทำตนเองให้หมดจดจากกิเลสถ้าเรามองดูตัวเอง มองเข้ามองเข้ามองกายมองวาจามองใจมองการเคลื่อนไหวของใจใจคิดออกไปนอกลูกนอกทางแปลว่าเปล่าประโยชน์สติอยู่กับตัวเองพยายามกลั่นกรองพยายามชำระใจในใจชำระความโง่ออกจากใจพิจารณาใครควรความฉลาดเข้าสู่ใจความโง่หลุดออกไปจากใจ นั่นลหละจุดนั้นเกิดประโยชน์มหาศาลสำหรับพวกเรานชีวิตของพวกเราอย่างที่พวกเราเห็นนั่นพอสี่ห้าปีไม่เห็นกันดูดูแล้วผิดปกติแล้วแต่เองไม่รู้เลยตัวเองไม่รู้ใจมันยังหนุ่มอยู่ใจน่ะไม่เคยแก่ใจน่ะนยังปิ๊งอยู่งั้นเหร อ่าอยังอย า, งยากได้นุ่งอยากได้นี่อยากกล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากไปหมดความอยากนี่อตัณหาเนี่ยความทะยานอยากแต่ดูร่างกายแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ความอยากผมไม่เคยงอกก็งอกไปต่อปีนี้งอกขนาดหนึ่งปีหน้า ง, งอกขนาด 1. อีกต่อไปต่อไปกับเขาทั้งหัวเลยบ้าน เพลเพเอาสีมายอมอีกแต่ตามไม่จริงบอกความแก่แล้วนะบอกความแก่และแก่ไปเรื่อยๆล่ะแต่ตัวเองไม่ยอมแก่ถึงจะไม่ยอมกเ็เะมันก็แก่ไปเรื่อยๆถึงจะยอมไม่ยอมกเ็เถอะถึงข่าวตายมันก็ต้องตายนี่ละร่างกายสังขานมันเป็นอย่างนั้นแก่ จ, จะยอมแล้วไม่ยอมก็ตามมันก็ไหลไหลไปเรื่อยๆถึงจะล้างขนาดไหนมันก็ไหลไปเรื่อยๆจะเอาหมดเอาหมอมา ขี่โม่ขี่คุยขนาดไหนก็แบบว่าต้องชะลอความแก่อย่า ง, งนี้ผลที่สุดก็แก่ไปเรื่อยๆไม่เห็นใครดูคําฟ้าไหนสักคนผลที่สุดก็ตายดูทุกคนแต่ว่าตายแล้วใครมีดีกรีกว่ากันนั้นนะใครฝากคุณงามความดีไว้ในโลกมากกว่ากันแต่บางคนฝากความชั่วไว้ในโลกมากอย่างพระเทวทัตฝากความโชั่วไว้ในโลกทัง 2,500 กว่าปีการพูดถึงระเทวทัตขึ้นมาโอ้สาระเลวจริงๆทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำสัง่งสอนให้รู้จักคุณงามความดีแต่เทวทัตเนี่ยกลับไปทางอีกแบบหนึ่งนั่นแนหะแต่ทีนี้เทวทัตเขาก็มีหมู่เหมือนกันเลยอาจจะเห็นใจเทวทัตเหมือนกันแ ถึงเทวทัตจะชั่วก็จริงอยู่แต่ไม่น่าประนามถึงขนาดนี้เกวา่าดีพวกหมู่เทวทัตเขาก็จะเข้าข้างอย่างนั้นไปอีกว่างั้นเอถึงเทวทัตจะลบเร็วก็จริงอยู่แต่ว่าพู้เผยเจ้าก็ไม่น่าจะประนามถึงขนาดนี้แต่ผู้เผยเจ้าท่านพูดตามความเป็นจริงชั่วทั้งกว่าชั่วดีกันทั้งกว่า ด, ดีท่านไม่ได้ประนามใครเหมือนกับขี้เลยเกว่าเออขี้นะ ถึงยังไงมันก็มีดีอยู่เด็กใช้ดีอยู่จะไปใส่ปุ๋ยต้นไม้แต่จะเอามาให้เกิดประโยชน์สําหรับคนนมาเป็นใส่สหรับกับข้าวนันไม่ได้แล้วมันนันแหละมันก็ช่วยอีกแบบนึงมันก็ใช้ไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เลยพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วสิ่งที่มันไม่ดีท่านก็ว่าไม่ดีท่านตรงไปตรงมาท่านมีเหตุมีผลของท่านสิ่งไหนที่ว่าชั่วก็ว่าชั่วว่าไง ทำตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงเพราะมันชั่วอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนภาษาวกเพราะนั้นบางกลุ่มบางหมู่บางคณะก็อย่างที่ว่านั่นใครที่ไปเป็นหมู่ของเทวทัตก็เออเอาไปนรกก็ไม่เต็มง่ายอย่างที่หลวงปู่จามว่าสวรรค์ก็ไม่เต็มง่ายนารกก็ไม่เต็มง่ายเอนรกกับตั้ง คอยท่าอยู่ถ้าใครทําชั่วมาไม่เต็มเหมือนนั้นสวรรค์ก็เหมือนกันเพวกนั้นไม่ต้องวิตกกงังวลใครอยากจะทําชั่วก็ทําไปนรกไม่เต็มหลงปูจามา่าวนะิตเต็มคุกเมืองไทยแนละคุกเมืองไทยเลยเต็มลาดยาวประวังขวางมาเต็มเหมือนนั้คุกเมืองไท ย, นะ ย, มมนไทยจนล้นคุกเหมือนนันแต่นรกเนี่ยคงจะหลุมใหญ่น่าดูว่ะ ขนาดใครทำความชั่วเท่าไหรน่นรกเปิดอ้ารับอยู่ตลอดสวรรค์ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะไปทางไหนนะวะออิสระเสรีในการไปนรกเขาก็เปิดรับอยูเหมือนกันนะสวรรค์เขาก็เปิดรับเพราะนั้นอยากไปนะไปนรกมันไปแล้วมันกว่าจะกลับมาได้ยังเหลือแต่กระดูกนะอย่างที่บันเทวทั์วั น, นี่ตาม โบราณอาจารย์ในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้ตกอเวจีมหานรกตัวบอกใหญ่ทั้งบนก็เป็นแผ่นเหล็กข้างล่างก็เป็นแผ่นเหล็กข้างก็เป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กแล้วเหล็กเท่าลําตาลแสดงเทวทัตตองใหญ่มากนะท้องไปตกนรกนะเหล็กเท่าล้าตาลเสียบทั้งหน้าอกไปทะลุหลังเสียบทั้งหัวลงไปทะลุก้น เสียบสีข้างไปทะลุข้างฟ้าตึงอยู่ในกลางเอาเวจีแล้วหมุนทุกตัวหมุนหมุนหมุนมนหมุนเสียงนั่นก็ไฟดำกิปเข้าไปไฟไหมพอไหมจุนวิจุ น, จนกเกิดขึ้นมาใหม่อีกหมุนอยางนั้น อ, อันนี้คือที่ท่านพูดในพระไตรปิฎกนะถ้าว่าใครอยากจะรู้ก็นั่งภาวนาไปหลับตาไปดูก็ได้นะ อย่าไปหาดูแต่ดูหัวใจเราดีกว่าอย่าไปหาดูกรรมคนอื่น mm. กรรมชั่วนะอย่าทำเสีเลยดีกว่านะกรรมชั่วมันเดือดร้อนอย่างนั้นนะมองดูใจของตัวเองนะนะ่ะดีที่สุดอันไหนทําลงไปมันเดือดร้อนนะะ่นแหะเป็นนรกถ้าทําเข้าไปแล้วร ะ, ะลึกถึงเวลาไหนระลึกถึงคุณงามความดีเวลาไหนใจสบายว่าเราได้ภาวนาไหวพระสวดมนต์รักษาศีลให้ทานนั่นแหละใจสบายนั่นแหะเป็นสวรรคนะ์น่ะอย่างไหนที่ทํา กรรมชั่วแล้วมันนรกแต่บางคนว่าข้าได้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นใจของข้าสบายข้าได้ด่าเขาแล้วใจสบายอย่าไปคิดอีกสักวันหนึ่งเขามาด่าตอบขึ้นมากันหนักนิ้วขี้วเขาหมดเหมือนกันนะกรรมตัวนั้นเวีนตัวนั้นมันไม่ไปไหนมันมาหาตัวเองนั่นเวลาตัวทำกับสะใจนะเวลาเขากลับคืนมาทีนี้ความสะใจมันหายไปหมดเลยเพราะนั้นกรรมชั่วทําไปแล้วมีแต่เดือดร้อน ทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลมีแต่เย็น อ, อกเย็นใจนะ่ะอันนี้ก็เป็นข่อคิดประจำวันใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตให้รู้จักชีวิตของตัวเองให้ใช้ชีวิตตัวเองให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าอย่าใช้ชีวิตตัวเองให้ไร้ประโยชน์หลับพรนโมทนาให้พร